มีใครอยากจะถามอะไรัหมอยากจะฟังเรื่องอะไรวันี้ช่วยคิดให้หน่อยช่วยคิดช่วยทำคิดคนเดียวคิดไม่ออกเรื่องหลักใหญ่ก็มีสองเรื่องคือร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้เราแก้ปัญหาของร่างกายกันได้ เราดูแลร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายไม่อดอยากขาดแคลนไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยไดยโนเสาร์เนี่ยต้องอยู่ในถ้มกันต้องคอยไล่จับสัตว์กันกินอยู่กันค่อนข้างที่จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานแต่ต่อมา มีสติปัญญาคิดเป็นคิดวิธีหากินใหม่คิดวิธีสร้างบ้านขึ้นมาก็เลยอยู่แบบสบายขึ้นคิดคนอาวุธเพื่อที่จะมายิงสัตว์มาดักสัตว์มาจับสัตว์เมื่อก่อนต้องถือไม้กระบองไล่ตีสัตว์แต่ต่อมาเริ่มคิดเป็นคิดว่า วิธีที่จะจับสัตว์ที่อยู่ไกลๆทําไงเอ า, เอาก้อนหินมาเี่ยงใส่มันาหาอะไรมาดักมันอันนี้เป็นส่วนของจิตใจจิตใจเป็นผู้ดูแลร่างกายจิตใจมีปัญญาน้อยก็ดูแลร่างกายได้น้อยมีปัญญามากก็ดูแลร่างกาย ได้มากในยุคปัจจุบันนี้จิตใจของเรามีปัญญาดูแลร่างกายเรามากร่างกายเราเลยสุขสบายแต่มีปัญญาที่ยังไม่สามารถที่จะหามาแก้ปัญหาของร่างกายได้คือเรื่องของความแก่ของความเจ็บของความตายของร่างกาย มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็คิดค้นหายาหาอาหารหาวิธีการที่จะมายับยั้งความแก่ยับยั้งความเจ็บยับยั้งความตายกันก็ไม่มีใครค้นพบวิธีถึงแม้จะมียารักษาโรคยายืดอายุ อาหารที่ให้อายุให้ร่างกายแข็งแรงอายุก็ยืนยาวนานขึ้ น, นยุคแรกๆอาจจะอยู่กันไม่กี่ปีสี่สิบห้าสิบปีก็ตายกันเดี๋ยวนี้อยู่กันถึงแปดสิบเก้าสิบปีบางที่บางคนก็อยู่ถึงร้อยกว่าเพราะ มียามีอาหารมีอะไรที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาผู้ที่คิดค้นนี่คือใจของมนุษย์คิดค้นเพื่อมาดูแลเลี้ยงดูรักษาร่างกายให้อยู่ไปนานๆแล้วก็คิดค้นสิ่งที่จะมาให้ความสุขกับใจก็มี สิ่งต่างๆทุกรูปแบบที่มาสร้างความสุขให้แก่ใจผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากดูอะไรอยากฟังอะไรมีให้ดูหลายรูปแบบด้วยกันอยากจะไปไหนมาไหน ก็สะดวกรวดเร็วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยแรกๆที่มาอยู่พัทยานี่ตอนนั้นต้องนั่งรถมาจากกรุงเทพยุคยุค ก, ก่อนนั้นก็ว่าต้องนั่งเรือมากันไม่มีถนนต้องนั่งเรือจากสมุทรปราการออกมาแต่ต่อมามีถนนสุขุมวิทสร้างขึ้นมา สกุลวิทสมัยนั้นก็แบบสองเดนเล็กๆลาดยางรถสวนกันเวลาจะแซงกันก็ต้องรอให้ถนนไม่มีรถสวนมาก็เดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงพัทยามาถึงแค่นาเกลือทางเข้าไปพัทยาจากนาเกลือยังเป็นทางเกวียนอยู่ การเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังไม่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้ห้าสิปีต่อมาห้าสิบปีห0สิปีก็มีการพัฒนาทำถนนในนี้ถนนสุขุมวิทเป็นสี่เลนมีแถมมีมอเตอร์เวย์เพิ่งเปิดใหม่รถติดจ่ายค่าทัวเวค่ามอเตอร์เวย์รถติด อย่างนี้เดินทางกันชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ถึงเมื่อก่อนอย่างน้อยต้องสามสี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นความสามารถของใจที่จะคิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมาแต่มีอย่างเดียวที่ใจคิดค้นไม่ได้หรือคิดค้นไม่เป็นก็ว่าทำย่างไรให้ใจสบาย ไม่ทุกข์ไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่ฟุง้งซ่านไม่เครียดไม่ซึมเศร้าทั้งๆ ท, ที่มีอะไรต่ออะไรมากมายกายกองให้ให้มีความสุขแต่สิ่งต่างๆที่มนุษย์สรรหามาให้ความสุขกับใจนี้ มันไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆ <Yeah. S 1> เวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันมันก็ทำให้ความไม่สบายใจหายไปชั่วคราวเหมือนถูกเอาการไปเที่ยวมากลบมัน ทำให้ลืมถึงเรื่องที่ไม่สบายใจไปชั่วคราวพอกลับมาจากการไปเที่ยวเดี๋ยวก็เจอความไม่สบายใจใหม่ความไม่สบายใจนี้มันเป็นเหมือนเงาตามตามตัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันตามไปอยู่บ้านก็ตามไปอยู่ที่ทำงานก็ตามไป จะ่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันก็ตามไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็จะมีใจเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาแต่ใจไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สบายกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ใจของมนุษย์เกือบเก้าสิบเก้าดเก้าเก้าเปอร์ซนไม่รู้วิธีว่าทำอย่างไรจะทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่สบายใจจะมีไงให้ใจสบายตลอดเวลาไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใยไม่เสียใจ ไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าใจาไม่เหงาไม่ว้าเหวเ อ, อันนี้ไม่มีใครรู้านานๆจะมีคนฉลาดที่รู้จากวิธีกรรมจัดความไม่สบายใจต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ คนที่รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆนี้ก็จะเรียกตนเองว่าพระพุทธเจ้านความจริงถ้าเรียกตัวเองว่าพุทธะแต่ว่าผู้รู้ผู้รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแต่เราชาวไทยเป็นคนที่ มีแบ่งช ช, ชั้นวันนะคนที่สูงเราก็ใช้คำวาจาที่สวยงามประกอบเรียกเป็นเจ้าเป็นนายพุทธะแล้วก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระแปลว่าผู้ประเสริฐพุทธะแปลว่าผู้รู้เจ้าก็คือผู้อยู่เหนือศีรษะพวกเรา พวกเราเป็นพวกไพร่พวกที่ด้อยกว่าเจ้าเจ้าเก่งกว่าไพร่เราเลยยกย่องพระพุทธเจ้าให้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ประเสริฐจากพุทธเราก็เคยเรียกพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศเขาไม่มีการแบ่งชั้นวรณนะไม่มีการ แยกภาษาที่จะใช้กับเจ้ากับคนสามัญธรรมดาเขาก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าดอะบุตดาฟังแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเขาไม่เคารพเพราะเขาในสังคมเขาเขาไม่มีแบ่งเขาถือว่าเท่ากันคนเท่ากันก็ไม่มีความจะเป็นที่จะใช้ภาษาต่างกันอย่างภาษา กินเขาก็กินกันทุกคนไม่ว่าไม่ว่าประธานาธิบดีหรือขอทานก็กินเหมือนกันแต่ของเรานี่คำว่ากินนี่ต้องแบ่งเป็นเจ้าก็ต้องสวยเป็นพระก็ต้องฉันเป็นคนเป็นคนไฮโซก็รับประทานถ้าชาวบ้านก็กินถ้าขอทานก็แจก คำว่กากินของเรานี่มีหลายหลายหลายกินด้วยกันแต่ฝรั่งนี่ก็มีคําเดียวอ a t <c oughs> อันนี้ก็เลยทําให้เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าเรานี่พระพุทธเจ้าเรานี่ชื่อยาวชื่อใหญ่โตความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เรียกตัวท่านว่าเป็นเจ้าเป็นอะไรท่านก็เรียกว่าเราเป็นผู้รู้พุทธเออ เพื่อรู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อก่อนพระองค์ก็ทร ง, งทุกขแล้วก็ถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงถึงไม่ให้ทุกข์ก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าจนในที่สุดก็ทรงค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจของพระองค์เอ ง, อ ง, อ ง, เองทุกข์ ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ส่งค้นพบวิธีที่จะกำจัดสาเหตุที่ทำให้พองค์ทุกข์หายไปหมดพอมีเครื่องมือมีวิธีก็เหมือนกับมียารักษาโรคถ้ามียารักษาโรคกินยาเข้าไปเดี๋ยวโรค ก, ก็หาย ถ้ามีวิธีกำจัดความทุกข์ที่เป็นเหมือนโรคของใจวิธีกำจัดก็เป็นยาของใจเวลาใจไม่สบายก็ใช้ยานี่กำจัดมันอโรคของใจคือความทุกข์ใจก็หายไปหมดอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ค้นพบวิธีอ ที่ทำให้ใจของพระ อ, องค์นี้ไม่ทุกข์อีกต่อไปพระ อ, องค์ก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกที่ไม่รู้อย่างพวกเราถ้าพวกที่ฟังแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ ้ความรู้นี้มีความจริงก็มีมานานแล้วมีถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่ไม่ได้เผยแผ่กว้างไกลเหมือนกับความรู้เกี่ยวกับทางร่างกายความรู้เกี่ยวกับทางร่างกายนี้เผยแร่ไปได้อย่างรวดเร็วรอบโลกพอประเทศหนึ่งรู้มันก็ขยายไปอย่างรวดเร็วแต่ความรู้ที่เกี่ยวกับ การทำให้ใจไม่มีความทุกนี้มันไม่ไปง่ายง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต่อการเข้าใจยากต่อการเข้าถึงเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ความรู้นี้ได้มัน ค่อนข้างจะยากลาบากคนที่ไปเรียนรู้แล้วสามารถพิสูจน์ได้จึงมีจำนวนน้อยก็เลยเอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นได้น้อยไม่เหมือนกับความรู้ทางร่างกายที่เข้าถึงได้ง่ายพ อ, อมีคนค้นพบยา รักษาโลกนี้ได้ไม่กี่วันมันก็ไปทั่วโลกได้แล้วคนเอาไปรับประทานเอาไปอะไรพิสูจน์ได้ทันทีแต่ความรู้ทางจิตใจการบำบัดความทุกข์ทางจิตใจนี้เป็นความรู้ที่เข้าใจยากและปฏิบัติยากเพราะว่า มันขัดต่อจิตใจจิตใจไม่ชอบวิธีการเหล่านี้จิตใจไม่ชอบวิธีการกำจัดความทุกข์แบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบจิตใจชอบกำจัดความทุกข์แบบที่เคยกำจัดกันถึงแม้ว่าจะไม่หายอย่างถาวร อ, อย่างน้อยมันก็ทันใจ พอทุกปับ๊บมีเงินก็ไปดูหนังปับปปปงป๊บก็หายทุกไปช้อปปิ้งปั๊บก็หายทุกไปเที่ยวปั๊บก็หายทุกไปนอนกับแฟนก็หายทุกก็เลยชอบวิธีนี้มากกว่าชอบวิธีกําจัดความทุกข์แบบง่ายๆแบบเร็วๆ ร, รวดเร็วทันใจอ ก็เลยไม่มีใครชอบวิธีกําจัดความทุกข์แบบยากยากเพราะเป็นวิธีที่ต้องเปลี่ยนเลิกกําเลิกใช้วิธีเก่าเคยชอปปิ้งก็ต้องเลิกชอปเคยเที่ยวก็ต้องเลิกเที่ยวเคยดูหนังฟังเพลงเคยกินเคยดื่อมอะไรนี่ต้องเลิกหมดเรามาใช้วิธี <c oughs> อีกวิธีนึง ซึ่งเป็นวิธีที่ยากแสนยากคือวิธีหยุดความคิดของตนเองไหนจะต้องถือศีลแปดศีลแปดก็คือวิธีเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเลิกหลับนอนกับแฟนเลิกรับประทานอาหารตามความต้องการให้อนุรับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวัน ให้รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นไม่ให้รับประทานตามความอยากแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงตามโรงมหรหสบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆงานเลี้ยงต่างๆงานสังคมต่างๆไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยงามวิจิตรพิสดาร ด้วยเสริมความงามทางหน้าตาทางผมทางเผผาด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆวิธีแก้ความทุกข์แบบนี้เป็นวิธีที่แก้ไม่สำเร็จแก้ได้ชั่วคราวเวลาได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้ทำเเผาทำผมทำหน้าทำตา ดูแล้วมีความสุขแต่เดี๋ยวเวลาไปนอนก็ต้องล้างหน้าออกต้องผมเผาเวลานอนเดี๋ยวมันก็ยุ่งเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนมันเป็นความสุขชั่วคราวพอพอไม่มีเครื่องสมมาไม่มีเครื่องเสื้อผ้าผ่อนความรู้สึกสุขก็หายไป ไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปไปงานเลี้ยงกลับมามันก็หายไปมันเป็นการบําบัดกำจัดความทุกข์ได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่มีอยู่เดิมความห่วงความวิตกความกังวลความเบื่อหน่ายความเศร้าซ้อยโง่เหงา ความซึมเศร้าอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ปรากฏขึ้นมามันเป็นวิธีที่ไม่ใช่จะกําจัดความทุกข์ได้อย่างตลอดอย่างอย่างถาวรวิธีที่จะกําจัดได้อย่างถาวร น, นี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็คือเราต้องเลิกใช้วิธีเก่านี้ เหมือนกับถ้าเราจะากินกาแฟทีนี้ถ้าถ้วยของเรายังมีกาแฟเก่าที่กินไม่หมดที่มันยังเรายังไม่ได้เททิ้งเนี่ยมันเย็นชืดถ้าเราอยากจะได้กาแฟใหม่เราก็ต้องเ อ, เอากาแฟเก่าทิ้งไปเราจะได้ใส่กาแฟใหม่ลงไป ชันใดวิธีแก้ความทุกข์ของเรานี้วิธีเก่าก็เป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลถ้าเราอยากจะใช่วิธีใหม่เราก็ต้องอทิ้งวิธีเก่าเลิกใช้วิธีเก่าเลิกใช้วิธีดับความทุกข์ความไม่สบายใจอย่างที่เราเคยทําคือไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ ไปหาความสุขจากเรื่องนั้นเรื่องนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ไปหาความสุขจากการกระทําสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นีเ้เพราะมันไม่เป็นวิธีกาจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรต้องเลิกหมดแล้วก็มาใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบคือให้ไปหาที่สงบอยู่ตามลำพังคนเดียว เวลาปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติคนเดียวแต่เวลาศึกษานี้ต้องมีครูอาจารย์สอนก่อนเช่นตอนนี้มาเรียนจากอาจารย์วิธีที่จะกำจัดความทุกข์นี้ทำอย่างไรพอรู้จากวิธีทำแล้วต้องไปทำคนเดียวแต่ตอนต้นนี้อาจจะทำคนเดียวไม่เป็นก็ จ, จะต้องให้อาจารย์สอนก่อนเขาก็จะมีอาจารย์สอน ที่เรียกว่าไปเข้าคอร์สที่ครั้งละสามวันห้าวันเจ็ดวันมีอาจารย์คอยกำกับคอยจัดตารงต า, างเวลาของการกระทาเช่นตีห้าตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเจดโมงรับประทานอาหารแปดโมง ก็เดินจงกรมเก้าโมงก็ฟังเทศสิบโมงก็นั่งสมาธิอะไรเขามีเวลาให้เพราะว่าใจของผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้เป็นเหมือนเด็กถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยกำกับคอยบอกให้ทำอะไรจะชอบทะเลทะลายจะไม่ชอบทำงานเหล่านี้จะชอบเที่ยวชอบกินชอบเล่นชอบดื่ม งั้นถ้ายังปฏิบัติคนเดียวไม่ได้ยังควบคุมใจบังคับใจให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไม่ได้ตอนต้นก็ต้องไปเข้าคอร์สก่อนไปเข้าเรียนที่มีมีครูคอยควบคุมคอยบังคับแต่มันก็จะได้ในระดับต้ น, ตน เพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรถ้าเราปฏิบัติร่วมกันนี้มันก็จะไม่สงบง่ายเพราะว่าใจเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมใจได้อย่างเต็มที่ให้มันหยุดคิดได้อย่างเต็มที่แต่ตอนต้นอาจจะต้องไป ไปเรียนแบบนี้ก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะการปฏิบัติที่แท้จริงนี้เขาปฏิบัติตลอดยิตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าถ้าไปไปเข้าคอสนี้เขาจะมีตารางตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานอนสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ให้นอนสี่ห้าชั่วโมง แล้วที่นอนก็ให้นอนแบบไม่สบายเกินไปไม่ให้นอนเตียงใหญ่ๆฟูกหน า, นาให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปให้นอนพักผ่อนร่างกายถ้ า, ถ, าถ้าเป็นการพักผ่อนร่างกายนอนคืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอที่นอนกันมากก็เพราะว่า มันสบายอยากจะนอนร่างกายตื่นแล้วแต่ใจยังไม่อยากลุกใจก็นอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้พักแล้วเต็มที่แล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะใจก็ไม่อยากจะนอนเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้ถ้าไม่ลุกก็มีคนมาปลุก ถ้าเป็นเข้าคอร์สนี่เขาจะมีตารางมีเวลามีคนมาเรียกถึงเวลาตื่นถึงเวลาไปทำกิจส่วนตัวถึงเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระถึงเวลาไปนั่งสมาธิมีเวลาให้ทำทั้งวันเลยไม่ปล่อยให้เราทะเลทลาไปเปิดทีวีดูไปเปิดมือถือไปตามไลน์ตามอะไร กับคนนั้นคนนี้คือให้ตัดกิจกรรมต่างๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ใจเราคิดเราต้องการที่จะลดความคิดกำจัดความคิดเพราะความคิดนี่แหละที่ทำให้ใจเราทุกข์กันวุ่นวายใจกันถ้าเราควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจเราจะเย็นจะสบายจะเบาจะมีความสุข แล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขแบบเดิมได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจก็ต้องไปปฏิบัติกันอย่างที่วัดยานนี่เขาก็มีที่พักอยู่เป็นหอพัก แลให้คนมาอยู่นี่อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจวันเจดคืนเขาก็มีกิจกรรมเช้าเย็นเช่นตีสก็ตีะระฆังแล้วก็ให้ลงไปนั่งสมาธิจนนั่งสมาธิสวดมนต์จนถึงสว่างก็ไปทํากิจส่วนตัวถ้าอยากจะไปใส่บาตรก็ไปที่ศาลาไปใส่บาตรไปรับประทานอาหาร เสร็จแล้วก็เขาก็ปล่อยให้เป็นไปาตามอัธยาศัยที่นี่ไม่มีคอร์สไม่มีคนมาควบคุมบังคับอันนี้หมอสำหรับคนที่รู้ว่าต้องปฏิบัติต้องทำอะไรก็มีก็สองเวล า, ชาวเวชาวเว้าเย็นเช้าเย็นนงโบสนไหวพ้พระนั่งสมาธิตอนค่ำก็นั่งสมาธิจนถึงประมาณสองทุ่มก็ให้กลับที่พักตามอัธยาศัย อันนี้ก็แล้วแต่สถานที่เราก็ต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะกับเราถ้าเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็อาจจะต้องไปที่ที่เขาสอนทุกขั้นตอนสอนวิธีเดินวิธีนั่งสอนเวลาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีรู้การปฏิบัติพอเรารู้แล้วเราก็ลองปฏิบัติที่บ้านต่อเพราะเรา อาจจะไม่สามารถไปได้บ่อยๆแต่เรามีเวลาว่างตอนไหนเราก็ทําที่บ้านก็ได้ทําช่วงไหนมีเวลาว่างช่วงก่อนนอนก็ลองนั่งสมาธิดูสวดมนต์ดูช่วงตื่นนอนตอนเช้าก็นั่งสมาธิสวดมนต์ดูก่อนที่จะไปเตรียมตัวไปทํางานทําการ ถ้าเราลองได้ปฏิบัติแล้วมันก็จะมีการพัฒนาการมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนปลูกต้นไม้นะ่ะถ้าเราไม่เอาต้นไม้ลงดินมันก็ต้นไม้มันก็ยังไม่มีวันที่จะขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเริ่มปลูกต้นไม้แล้วทีนี้เราก็คอยลดน้ำพรวนดินคอยดูแลดูแลรักษามันเดี๋ยวมันก็จเจริญเติบโตขึ้นไปได้ ปีสองปีมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้การวิธีกำจัดความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องมีขั้นมีตอนมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องขั้นตอนแรกก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้จากผู้รู้ก่อนแล้วถ้าปฏิบัติเองไม่เป็นก็ต้องไปเข้าเรียนไปร่วมปฏิบัติเป็นกลุ่มให้มี คููรู้มีครูมีอาจารย์คอยกำกับคอยบอกเวลาทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วพอเราเรียนรู้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถทำเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหรือเราไปวัดที่ที่เงียบกว่าเพราะถ้าอยู่ที่เงียบได้มันจะได้ผลดีกว่าอยู่ที่ไม่เงียบยูดที่ไหนมีคนพลุกพล่านนี้มันจะ ทำให้ยากต่อการทำใจให้สงบที่ไหนที่ไม่มีคนพลุกพล่านที่เรียกว่าวิเวกที่สงบวิเวกอยู่คนเดียวตามป่าตามเขาอันนี้จะเอื้อต่อการควบคุมใจให้สงบกำจัดความทุกข์ใจอันนี้ก็เวลาปฏิบัติจริงจริงจึ ง, จงปฏิบัติคนเดียวแต่ ต้องมีครูอาจารย์คอยสอบคอยถามคอยสอนเวลาเราปฏิบัติไปถึงตรงนี้เราได้ผลอย่างนี้เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นผลที่ควรจะเป็นหรือไม่ก็ไปถามอาจารย์ได้อย่าไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าอาจจะหลงทางได้เพราะผลที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นผลที่ควรจะเป็น อันนี้ต้องมีอาจารย์แต่ไม่ได้มีความหมายว่าทุกครั้งที่เราปฏิบัติจะต้องมีอาจารย์มานั่งกำกับปฏิบัติกับเราอันนี้เราต้องปฏิบัติตามลำพังครูอาจารย์จะไม่มายุ่งกับเราช่วงที่เราปฏิบัติท่านจะปล่อยให้เราปฏิบัติตามวัดป่านี้พระเนนจะปฏิบัติกันเอง แต่ครูอาจารย์จะเรียกมาสอนมาอบรมทุกสี่ห้าวันหรือทุกเจ็ดแปดวันก็จะเรียกพระมาอบรมมาเทศมาสอนวิธีการปฏิบัติของพระว่าต้องปฏิบัติกันอย่างไรแล้วช่วงที่ทำภารกิจร่วมกันครูบาอาจารย์ก็จะคอยเฝ้าดูว่าทาผิดทำถูกหรือไม่มีสติหรือไม่ ใช้ปัญญาเป็นหรือไม่ท่านก็จะคอยเตือนคอยสอนถ้าทำอะไรผิดท่านก็จะบอกไม่มีสติไม่มีปัญญาอันนี้ผู้ที่เรียนจะได้ไม่หลงตัวเองไม่ไปคิดว่าตวเองฉลาดตวเองเก่งถ้าอยู่กับคนฉลาดกว่าเขาจะรู้ว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราผิดหรือเราถูกถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างนี้ จะเป็นอันตรายได้เพราะเราอาจจะคิดว่าเราเก่งแต่ความจริงเราอาจจะหลงทางก็ได้อันนี้ก็คือการมีอาจารย์ต้องมีอาจารย์คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเราด้วยคอยอบรมสั่งสอนเราด้วยแต่ช่วงที่เราปฏิบัติช่วงที่เราไปนั่งสมาธิช่วงที่เราไปเดินจงกรมนี่ไม่มีใครมาคอยกากับ เป็นช่วงที่เราต้องทำเองแต่อาจารย์บางรูปท่านก็ขยนันท่านยังคอยเดินไปตรวจตามกุฏิก็มีดูว่าพระรูปนี้กาลังทำอะไรอยู่บางทีไปเจอพระนั่งจับกลุ่มกันวงก็แตกเลยเพราะอาจารย์มาเห็นเข้าก็จอนกันเข้าปากกันเป็นคนละทิศคละทางท่านไม่ต้องการให้มาจับกลุ่มคุยกัน นั่งกินน้ำชากาแฟกันคุยกันเพราะมันไม่ได้เสริมการทำใจให้สงบมันเป็นการเสริมให้คิดให้ปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความอยากขึ้นมาครูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยๆวันละหลายรอบอเดินดูว่าตอนนี้พระเนนกาลังทาอะไรกันอยู่ ถ้าพระเนรู้ว่าครูบาอาจารย์คอยเดินตรวจนี้จะไม่ค่อยกล้าทำอะไรนอกลูนอกทางจะคอยเดินจงกรมนั่งสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างเดียวถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยเดินตรวจเดี๋ยวบางองค์ก็ไปทำนู่นทับกิจอย่างอื่นแทนก็ไม่ได้นั่งสมาธิกันไม่ได้ปฏิบัติกันนี่คือการมีอาจารย์มีแบบนี้บางท่านไม่เข้าใจคิดว่า การปฏิบัติต้องมีอาจารย์หมายถึงต้องมีอาจารย์เป็นเงาตามตัวตลอดเวลาอันนี้ไม่ใชนะ่เวลานั่งสมาธิอาจารย์เขาไม่ต้องมานั่งกับเราบางคนคิดว่าต้องมีอาจารย์มานั่งคุมจิตให้เราเราคุมเองไม่ได้ต้องให้อาจารย์คุมจิตให้เราอาจารย์ก็คุมไม่ได้จิตของใครของมันอาจารย์มาคุมจิตเราไม่ได้หรอกถ้าคุมได้ก็ดีจะได้คุมเราเข้านิพพานกันให้มันหมดไปเลย เราจะได้ไม่ต้องปฏิบัติให้เหนื่อยยากนั่งกับครูนั่งกับอาจารย์เดี๋ยวท่านก็พาเราไปนิพพานกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปถ้าทำได้พระพุทธเจ้าทำไปนานแล้วพระพุทธเจ้าทำแบบเรียกทุกคนมานั่งเอาเตรียมตัวไปนิพพานกันนะคอยฟังเราพูดให้ทำไงก็ต้องทำตามนะอ๋อถ้าทำนี้ได้ก็ไปนิพพานกันหมดนะ ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจนถึงยุคนี้สมัยนีนะ้การปฏิบัตินี้เราต้องควบคุมใจเราเองกาจัดความทุกข์ด้วยตัวเราเองด้วยใจของเราเองด้วยเครื่องมือที่พระเจ้าสรงค้นพบคือด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนะี่ยนี่คืออาวุธที่เราจะต้องมีในการกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้ไม่มีวันที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อันนี้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เป็นคนเดียวในโลกนี้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราให้หมดไปได้ อย่างสิ้นเชิงอย่างท้าวอนนา น, นานจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าสมัยนี้ตัวพระพุทธเจ้าเองไม่ได้อยู่แล้วก็ตามแต่ก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ก็สร้างตัวแทนทำหน้าที่แทนพระองค์อยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งคำสอนของพระองค์นี่ก็มีการจดจำกันเอาไว้ คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนจากปากของพระองค์แต่ได้เป็นคำสอนที่ได้ถูกจดจาเลกไว้มันก็เป็นเหมือนกับออกจากปากของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราได้อ่านหรือได้ยินคนอ่านให้ฟังนี้ก็เหมือนกับได้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระไตรปิฎกเนี่ย พระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้มีการบันทึกไว้ด้วยการจดจําในเบื้องต้นสมัยก่อนไม่มีการเขียนหนังสือไม่มีผู้คนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนเขียนไม่ได้กันก็เลยต้องอาศัยการจํากันจําแล้วก็เอามาถ่ายทอดปากต่อปากใจสู่ใจอีกส่วนหนึ่งก็ ที่มาทำแทนหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพระสาวกนี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้ารู้วิธีกำจัดความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าบรรลุถึงนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้า ท่านก็สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อหลังจากที่พระพุทธเจ้านี้ไม่อยู่แล้วแม้ขณะที่อยู่เขาก็ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความรู้นี้พระหลันทุกรูปนี้พอท่านบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ไม่มีอะไรต้องทำสำหรับตัวท่านท่านก็เอาเวลาว่างนี้มาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นท่านก็จะกระจายกันไปคนละทิศคนละ ทางเพื่อที่จะเผยแร่ความรู้นี้ให้กว้างใหญ่ไพศาลแต่ที่มันไม่กว้างใหญ่แบบความรู้ทางร่างกาย ก, ก็เพราะว่าผู้ที่จะรับไปปฏิบัตินี้รับไปได้ไม่มากไม่มีความสามารถพอไม่มีกำลังพอที่จะไปสู้กับความอยากของตนสู้กับกิเลสของตน สกับความคิดของตนได้เท่า น, นั้นเองจึงทำให้การเผยแผ่ธรรมะนี้ไม่กว้างไกลเหมือนกับการเผยแผ่ความรู้ทางร่างกายความรู้ทางร่างกายนี้พอใครรู้ปั๊บก็เอาไปาปฏิบัติกันได้เลยเพราะว่ามียาชนิดนี้ก็เอาไปผลิตกันอขอขอซื้อลิขสิทธิ์กันาจากประเทศ ที่ค้นคว้าแล้วก็เอามาผลิตในประเทศของตนอเอามาขายได้มากําจัดโรคภัยต่างๆของทางร่างกายได้อย่างกว้างขวางกวา่าเพราะผู้ที่จะรักษาก็ยินดีที่จะรับอยู่รับยากันแต่ยาทางจิตใจนี้ผู้ที่เป็นคนไข้มักจะไม่อยากจะรับยากันเพราะมันเป็นยาขมไม่อยากจะกินกัน เพราะมันยากให้ถือศีลแปดนี่มันก็บอกไม่ไหวแล้วอย่าว่าแต่ศีลแปดเลยให้เริ่มแค่ศีลห้าก็ก็แทบจะ ก, กระอักแล้วบอกถ้าถ้าให้ถือศีลห้าแล้วฉันจะไปทรหา ก, กินได้ยังไงมีพ่อค้าแม่ค้ามักจะบ่นว่าถ้าต้องถือศีลห้าแล้วทำหา ก, กินยากนะจะโกหกก็ไม่ได้จะโกงก็ไม่ได้ถึงแม้จะไม่โกงมากมันก็ต้องโกง ไม่โกงมันไม่ได้กาไรไม่โกหกก็ขายไม่ได้ขายไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าแม้แต่การนักษาศี่ห้าก็ยากแล้วการทำบุญก็ยากเพราะเงินทองหามาได้มันยากหามาได้ก็หวงอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ซื้อความสุขต่างๆเรื่องอะไรอยู่ดีๆไปให้คนอื่นหามาแทบเป็นแทบตายแล้วก็อยู่ดีๆก็เอาไปให้คนอื่นนี่ ในวิธีการของการกำจัดความทุกข์ทางใจหนึ่งมันจึงเป็นวิธีที่คนไข้ไม่อยากจะรับก็เลยพวกบอกบุญไม่รับเนี่ยให้ทำบุญทำทานให้ควักกระเป๋านี่ โ, โหยากแต่ถ้าไปเที่ยวนี่ควักได้รวดเร็วให้ซื้อของซื้ออะไรพอเห็นถูกใจนี่ถามราคาเท่าไหร่ไม่ต่อเลยควักออกมาเลย แต่ถ้าให้ทำบุญนี่ชักเข้าชักออกคิดแล้วคิดอีกบางคนก็หาเรื่องไม่ทำจะทำกับวัดนี้ก็เห็นว่าวัดนี้รวยแล้วมีคนทำเยอะแล้วไปเห็นวัดจนก็ไม่อยากจะทำวัดจนกับพระคงไม่ดีก็เลยไม่อยากจะทำกับพระไม่ดีอก็เลยมีเหตุที่ไม่ได้ทำบุญเท่านะร่นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ ปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีกำจัดความทุกข์ใจนี้มันมีอุปสรรคมากมีตัวที่คอยมาขวางคอยกั้นของการของการรักษาใจนี้ตั้งแต่ขั้นขั้นต้นเลยก็คือกั้นขั้นทาบุญทําทานนี่ก็ไม่อยากจะทำแล้วแล้วก่อนขั้นทำบุญทาทานก็คือขั้นไปเรียนก็ไม่อยากจะเรียนกันแล้ว ก่อนจะรู้ว่าวิธีกำจัดความทุกข์นี้ทาอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก็ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะฟังเทศคนฟังเทศบางทีก็ฟังแบบอขอไปทีเวลาพระตั้งน้โมก็หาเสาพิงกันละนี่แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะตั้งใจหลับพอ พอพระสาธุขึ้นมาก็มาพอพระโมกเอวังก็สาธุกันขึ้นมาใหญ่ได้กลับบ้านแล้วอนี่คือฟังแบบทับพพีในหม้อแกงรู้ไหมปั๊บทับพีในหม้อแกงเป็นยังไงทับพีในหม้อแกงมันไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรใช่ไหมเอาทัพพีไปใส่หม้อแกงนี่จะแปลงเป็นแกงเผ็ดแกงจืดแกงหวานนี่มันไม่รู้่ จะอยู่แช่อยู่นั้นเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ฟังเทศฟังธรรมแบบไม่ไม่ตั้งใจฟังก็แบบทัพพี่ในหม้อกแกงเวลาพระเทศปับบางคนก็หาสาวบางคนก็หาเพื่อนคุยกันบางคนก็นั่งคิดถึงงานที่จะต้องไปทําว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําอะไรต่อเนี่ยลักษณะนี้เรียกแบบว่าฟังเทศแบบทัพพีในหม้อกแกงเพราะไม่รับฟังไนงะ ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงนี้มีความหมายอะไรเพราะใจมัวแต่ไปอยู่กับเรื่องอื่นไปอยู่กับการหลับก็ไม่รู้เรื่องนั่งหลับก็ไม่รู้เรื่องนั่งคุยกันก็ไม่รู้ว่าพระเทศเรื่องอะไรนั่งคิดถึงงานการที่ทาก็ไม่รู้ว่าพระท่านเทศอะไรนี่คือลักษณะของการฟังธรรมก็ยากอีกนะเพราะไม่น้อยคนที่จะตั้งใจฟัง อย่างพวกเราตอนนี้ตั้งใจฟังกันหรือเปล่าโดยยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าคิดมันก็จะไม่เข้าใจว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่ต้องตั้งใจฟังทุกคำพูดเลยทุกขณะที่มีการแสดงทมอย่างต่อเนื่องถึงจะรู้ว่ากำลังฟังอะไรถ้าฟังแบบนี้เราเรียกว่าลิ้นกับแกงลิ้นนี้ไม่ต้องแช่อยู่ในแกงหรอก เพียงเอารถแกงมาแตะพี่ลิ้นเพียงหยดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นแกงอะไรเป็นแกงเผ็ดแกงจืดแกงกวานนี่จะรู้ทันทีเนี่ยถ้าอยากจะฟังธรรมต้องฟังแบบลิ้นกับแกงแต่คนที่ฟังแบบลิ้นกับแกงนี่มีน้อยคนที่สนใจที่จะฟังธรรมจริงๆนี่มีน้อยส่วนใหญ่ฟังเพราะศรัทธาเชื่อว่าฟังแล้วเป็นมงคลฟังแล้วได้บุญ ฟังแล้วดีแต่ไม่รู้ว่าฟังแบบไหนถึงจะเป็นมงคลฟังแบบไหนแล้วถึงจะดีคิดว่าก็ขอให้นั่งไปก็แล้วกันพระเทศกับเทศไปล้วก็นั่งฟังไปแล้วดีเองเป็นมงคลเองอย่างนี้ยังไม่เป็นมงคลยังไม่ดีถ้าฟังไม่รู้เรื่องจะเป็นมงคลจะดีต้องฟังรู้เรื่องเพราะเราต้องการความรู้นี่แหละที่เราจะได้นาเอาไปปฏิบัติ พราะถ้าเราไม่รู้เราก็าไปปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกเหมือนเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอสั่งยามาให้หมอก็บอกว่าต้องกินนะครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งก่อนนอนอก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือพร้อมกับอาหารถ้าไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวลืมแต่ยังดีหมอเ็ายัง เขียนไว้กำกับการลืมเขียนไว้ในหน้าสองอีกทีหนึง่งแต่ธรรมะนี่เราก็พูดให้ฟังกันไปไม่ต้องไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะการฟังนี้ถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมถ้าตั้งใจฟังแล้วมันจะไม่ลืมการการศึกษาธรรมะก็ยากถ้าศึกขั้นต้นถ้ายัางฟังไม่รู้เรื่องการที่จะไปปฏิบัติก็ ก็หมดหวังเพราะจะปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าการทำบุญทาทานนี้ทำเพื่ออะไรการรักษาศีลรักษาเพื่ออะไรการฝึกสติฝึกเพื่ออะไรการนั่งสมาธิเพื่ออะไรการมีปัญญานี่มีไว้เพื่ออะไรธรรมะเหล่านี้มีเหตุมีผลนังนั้นเหมือนกับยาที่หมอให้มายานี่กินแก้ปวดหัวยานี่กินแก้ปวดท้อง ยานี้กินแก้ท้องผูกมมียาแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันต้องเอามาใช้เพื่อรักษาโรคต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปการทำบุญนี้ก็มีเหตุผลของมันเหตุผลอันนรกก็คือเพื่อให้เรายุติการใช้เงินที่เกิดโทษกับใจถ้าเราจ่ายเงินไปใช้ตามความอยากเนี่ย จะไปใช้กับการช้อปปิง้งกับการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อันนี้มันเป็นการดับความทุกข์ที่มีทุกข์ตามมาเพราะมันจะติดมันจะต้องใช้วิธีนี้เรื่อยๆเวลาไม่สบายใจแต่เกิดเวลาไหนไม่มีเงินก็จะใช้ไม่ได้ความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นไปต้องเอาวิธีการทำบุญมาแทนแต่อยากจะดับความไม่สบายใจก็เอาเงินไปทาบุญดีกว่า ว่าเงินทำบุญนี้ทำให้ใจเราหายจากความไม่สบายใจได้เหมือนกับไปช้อปปิ้งแต่ดีกว่าตรงที่มันไม่ติดเวลาต่อไปถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราไม่ทำเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเอาเงินไปช้อปปิง้งเวลาเวลาเราจะใช้เงินไปช้อปปิ้งถ้าเงินไม่มีเดี๋ยวเราก็จะเดือดร้อนใจเราก็จะอุ่นวายไม่สบายใจเครียด อาจจะทําให้เราต้องไปทําบาปไปมีหนี้ไปก่อนหนี้ก่อนถ้ามีบัตรก็รูดไปก่อนรูดบัตรไปเดี๋ยวก็เป็นหนี้เขาเป็นหนี้เดี๋ยวก็ต้องไปหาเงินมาใช้หนี้ถ้าหาโดยวิธีที่ถูกไม่ได้ก็อาจจะไปหาวิธีที่ผิดไปทําบาปไปโกงไปขโมยไปหลอกลวงอันนี้เนี่ย แทนที่จะกําจัดความทุกข์กลับมาสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกการทำบุญการใช้เงินทำบุญเป็นวิธีที่จะทำให้เราสบายใจแล้วจะไม่ติดกับการทำบุญถ้าไม่มีเงินทำเราก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยๆก็ได้เราจะไม่ค่อยทุกข์เพราะไม่ไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปช้อปปิง้งเพราะทุกครั้งที่เราอยากช้อปปิง้งเราก็เงินไปทาบุญ ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เหมือนไปทาบุญต่อไปความอยากเที่ยวความอยากไปช้อปปิง้งมันก็จะหายไปอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่ซึมเศร้าไม่ว้าเวว่เี๋ยนี่คือเรื่องของการทำบุญทำเพื่อกําจัดความทุกข์แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ใหม่ถ้าเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี้มันกําจัดความทุกข์ได้เดียวยว แล้วมันสร้างความทุกข์ใหม่มันสร้างความอยากใหม่ให้ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่สามารถทําตามความอยากได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจเรานี่คือเรื่องทําไมเราต้องทําบุญกันทําบุญเพื่ อ, อ, อเพื่อใช้เงินให้ถูกวิธีใช้ใช้กําจัดความทุกข์ด้วยเงินทองต้องใช้ด้วยการทําบุญ ถ้าใช้ด้วยการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟื่อยนี้ไม่กําจัดความทุกข์แต่จะต่อความทุกข์ให้มีมาเรื่อยๆเพราะความอยากเที่ยวมันจะมาตามาเรื่อยๆความอยากชอปปิ้งมันจะมาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ทําไมเราจึงต้องทําบุญกันถ้าเรามีเงินทําถ้าเราอยากจะใช้เงินดับความทุกข์ถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรามีวิธีดับความทุกข์ด้วยการทําใจเฉยๆ ไม่เที่ยวอยู่กับบ้านได้ควบคุมใจไม่ไปเที่ยวไม่ไปชอบ ป, ปิ้งได้เราก็ไม่ต้องไปทำบุญก็ได้อันนี้ก็ข้อเรื่องของการทำบุญคือถ้าเรามีเงินควรจะรู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับใจอย่าไปใช้ให้มันเกิดโทษกับใจนี่คือทำไมเราจึงทำบุญกันเพราะทำบุญเพราะว่าแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยว ไปทำตามความอยากเราก็เอามาทำบุญเป็นการกำจัดความอยากไปเที่ยวกำจัดความอยากใช้เงินด้วยวิธีการต่างๆต่อไปเราก็ถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราใช้เงินด้วยความอยากเวลาเงินหมดนี่เดือดร้อนเพราะความอยากมันไม่หายไปความอยากมีแล้วมันก็จะทําให้ใจเราวุ่นวาย ทำให้เราต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องต่อไปแล้วเดี๋ยวก็มีโทษตามมาติดคุกติดตารางกันก็เพราะเนี่ยเพราะไปทำบาปอันไปทำผิดกฎหมายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญเป็นการใช้เงินให้ถูกวิธีแล้วคันศีลก็เพื่อให้เราตัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทาบาปนั่นเอง ถ้าเราไม่ทำบาปเราปัญหาต่างปัญหาที่เป็นโทษต่างๆจะไม่เกิดถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปไประพฤติผิดประเวณีปัญหาที่จะเกิดจากการกระทำเหล่านี้ก็ไม่มีถ้าไปฆ่า ผ, ผู้อื่ผู้อเขาจะตามฆ่าเราเราก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อ, อยู่แบบหวาดกลัวแล้วถ้าเขาค้นพบเขาก็อาจจะฆ่าเราตายได้เราก็อยากฆ่า อย่าไปลักทรัพย์ลักทรัพย์เขาจะตามจับเราเรียกทรัพย์ของเขาคืนมาถ้าไม่ได้คืนก็ต้องจับไปเข้าคุกเข้าตารางไปประพฤติผิดประเวณีเดี๋ยวก็เกิดปัญหาทางครอบครัวทั้งของเราและของครอบครัวของคนอื่นเดี๋ยวก็เกิดเรื่องทะเลาะการวิวาทกันทำร้ายกันโกหกหลอกลวงก็เหมือนกันเดินสุรายาเมาก็เหมือนกัน การกระทําเหล่านี้มันเป็นโทษต่อจิตใจมันไม่ได้ทําให้ใจสงบสบายมันสงบสบายช่วงขณะที่ทําเดี๋ยวเดีย ว, ยวแต่หลังจากนั้นปัญหามันจะตามมาถ้าไม่ทําปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดอันนี้ทําไมเราจึงต้องรักษาศีลเพราะเราต้องการกําจัดความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากการทําบาปทําผิดทําผิดกฎหมาย การกระทําที่เป็นโทษทั้งหลายเรียกว่าบาปเราต้องเลิกทําถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ใจแต่คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ก็คิดว่าเป็นวิธีกําจัดความทุกข์ชอบแฟนของใครก็ไปแอบนอนกับแฟนของเขาก็มีความสุขช่วงขณะช่วงหลับนอนแต่หลังจากนั้นก็จะต้องมีปัญหาตามมาเดี๋ยวแฟนของเขารู้เขา้าเดี๋ยวเขาก็ต้องมา ทุบตีเราเรือมีเรื่องกับเราอันนี้ก็ก่อนคิดไม่เป็นย่อจะคิดสั้นๆคิดเฉพาะช่วงที่ได้เวลาโกรธใครอยากจะฆ่าใครได้ฆ่าเขาแล้วมันรู้สึกสบายใจดีใจสุขใจแต่แล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนหวาดกลัวกับการถูกตามจับถูกจะถูกรังแคนจากผู้ที่เขาเสียหายอันนี้ไม่คิดคิดไม่ยาว เอาแต่ความสุขต้นเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารนันโอชาตะฮุบเหยื่อนั่ น, น, นเลยพอฮุบเข้าไปก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทีนี้ก็เจ็บไปะะจนถึงจนถึงหม้อแกงเลยอ๋อเขาเขาเกี่ยวปากแล้วเขาก็สาวเราขึ้นจากน้าเอาไปต้มเลย อันนี้ก็เหมือนกันทําบาปแล้วก็จะได้ความสุขชั่วขณะที่ทําบาปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลายิ่งอย่าทําบาปแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสบายเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องหวาดกลัวเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ต้องคอยหลบคอยซ่ อ, น, <c oughs> อนนี่คือการกําจัดความทุกข์ในระดับต้นๆน โดยการทำบุญโดยการรักษาศีลห้าถ้าอยากจะกำจัดแบบให้เต็มที่นี้ต้องขั้นระดับของการปฏิบัติสมาธิต้องถือศีลแปดกันต้องไปหาที่สงบอยู่ตามลำพังแล้วก็จเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าสติมีกำลังไม่พอที่จะหยุดความคิดก็ต้องฝึกสติก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อน วิธีสร้างสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือจะคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายแทนก็ได้ถ้าเราคอยดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเราจะต้องคอยคิดอยู่กับว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่แต่ ถ้าเราควบคุมไม่ได้ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายไม่ได้มันยังจะไปคิดอยู่ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธดึงมันกลับมาเราต้องใช้พุทโธพุทโธถ้าเราอยู่กับพุทโธมันก็คิดไม่ได้ตอนต้นมาอาจจะแข่งกันเราพุทโธมันก็ยังคิดอยู่แต่ถ้าเราไม่หยุดพุทโธต่อไปมันจะหยุดคิดเองพอมันหยุดคิดแล้วใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายจะเบ า, จ ะ, เบาจะมีความสุขแล้วเราจะได้ค้นพบว่า นี่คือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงและดับความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่การควบคุมความคิดควบคุมความอยากที่เกิดจากความคิดนี้เท่านั้นเองต่อไปเราก็จะสามารถควบคุมความอยากได้หยุดความอยากต่างๆให้ไม่ให้หมดไปจากจายได้ความอยากมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราไม่ทาต่อไปมันก็จะไม่มา แต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราทําตามความอยากมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆอย่างนั้นถ้าไม่อยากให้มีความอยากเพราะความอยากมันเป็นทําให้ใจเราไม่สบายนั่นเองทําให้ใจเร า, เราทุกข์เราก็ต้องอยาบไปทําตามความอยากทุกครั้งมันอยากแล้วก็พูดโโผดโโผไปหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากแล้วเดี๋ยวความอยากก็จะหยุดไปต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากใจก็จะหายทุกข์เนี่ย เพราะตอนเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้เองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติได้ส่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเรามีความเพียรพยายามที่จะศึกษาตั้งใจฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่มีการฟังก็อ่านหนังสือธรรมะ ตั้งใจอ่านจนกว่าจะเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรทำเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่จะทำเพราะเราจะได้รู้ว่าทำแล้วเราได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะมันจะการปฏิบัติจะบอกเราเองว่าเราทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังทาไม่ถูกหรือทาน้อยไป ก็ไปปึกษาถารรมอาจารย์ดูอาจารย์บอกทําถูกแล้วแต่ทําน้อยไปก็เพิ่มการจะทําทให้มากขึ้นต่อไปมันก็จะเห็นผลเองแล้วต่อไปก็จะทําเองได้ต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้แหละความรู้เกี่ยวกับทางจิตใจมันยากกว่าความรู้เกี่ยวกับทางร่างกาย ถ้ามันง่ายเหมือนทางร่างกายพวกเราก็สบายกันไปหมดนะหลุดพ้นจากความทุกข์กันไปหมดแล้วเหมือนกับหลุดพ้นจากความ อ, าอดอยากขาดแคลนทางอาหารทางร่างกายเดี๋ยวนี้เราถ้าจะไม่มีการอดอยากขาดแลาคลนเลยโรคภัยไข้เจ็บก็รักษากันให้หายขาดได้หลายโรคหลายชนิดด้วยกันแต่ทางโลกทางจิตใจนี้มันยากกว่าหลายเท่า ต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้ความพยายามต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะ เ, เรียนเรียนได้ปฏิบัติได้ถ้ายังไม่ศรัทธาก็ต้องพยายามศึกษาพยายามเรียนบ่อยๆหรือถามคนที่มีศรัทธาแล้วว่าทำไมเขาศรัทธาเขาก็จะอาจจะบอกเราให้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้มี ความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปการแสดงวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเลวาหาปุราภริลปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิตุท e ินนางเปตานังอุปกัรปติอ an ิชิตังปัช um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะามะณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีดิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมมวทานติอยายุวันโนสุขังภาลังไงไคุณพ่อสบายดีเหรอสบายดีด้ย ค, คุณแม่ครบสองปีแล้ ว, วค่ ะ, ะทำบุญไป ไม่ต้องทํำก็ได้คุณแม่ทําเยอะแยะแล้วเป็นหฝาดม่ทำบุญมาหนูตาบอกกุศลาตอนเป็นแล้วไม่ต้องไปกุศลาตอนตายนะกุศลาตอนเป็นทําบุญตอนเป็นดีกว่าอดีกว่าไปทําตอนตายนะตอนตายได้นิดเดียวตอนเป็นนี่มีเวลาทําได้ทุกวันกุศลามันทุกวันเลยนะแล้วไปยัได้ไม่ต้องให้ใครมากุศลาให้เรา หลงตาท่าสั่งไว้ากูตายแล้วมึงไม่ต้องมากุศลาให้กูเน <c oughs> ี่ยกูกุศลาของกูอยู่ทุกวันไงอาญาเนี่ ย, ย, ยกุศลากุศลไงบุญไงบุญกุศลทําไว้ทุกวันแล้วตายไปไม่ต้องรอให้ใครมาทําบุญให้เราเรามีบุญติดตัวไปเยอะกว่าบุญนี่ก็ส่งไปให้เรานะเขาจะรู้ ไ, มไหมเนี่ยคะแม่จะรู้ ไ, มไหมเนี่ยคะเขาไม่รู้แล้วเขาไปสบายแล้วต้อ <c oughs> ไม่ต้องมารอเราเนาะไม่มาแอบดูเราอยู่ไม่มาแอบไม่เสียเวลา ทิงเราได้ดีดใจจะตายไปหมดห่วงหมดทุกข์เลยเขาไปสบายกว่าเราอ <c oughs> เอขาไปรับบุญของเขาแล้วเราอ่ะต้องรีบทําบุญกันนะ <c oughs> อย่ามัวไปเที่ยวอะไร <c oughs> ช้อปปิ้งกันอยู่เรื่อยเที่ยวกันอยู่เรื่อยอันนี้เปลี่ยนใจอ่ะไม่ไปช้อปปิง้งมากาแ์ดอทน <c oughs> มีใครอยากจะถามไหม ถ้าอยากจะถามจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้คําถามทางบ้านเอาเลยถามได้เลยวันดีค่ะเอามันใกล้ปากเลยไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะปกติติดตามทางไลน์ตามที่อยู่อเมริกาค่ะแล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าจะฝึกให้พ้นทุกข์อย่างที่ท่านบอกว่าที่มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญา เราจะดับทุกยังไงคะถ้าไม่ได้ไปฝึกเจ็ดวันอะไรเนี้ยคะ่ะถ้ามีสติมีสมาธิปัญญามันก็จะหยุดความอยากได้เวลาอยากเที่ยวก็หยุดได้เวลาแต่ทุกมันไม่ใช่แค่ความอยากนี่คะ่ะแบบอะไรที่เกิดขึ้นทุกบางครั้งมันมาหลายหลยเรื่องที่อ่าบางครั้งคุณต<อ>้ <ทอ S 2> เสีอะไรื่องอไรเนี้ไอ้เรื่องเข้ามาไม่ใช่เรื่องของความทุกเรื่องที่เข้ามามันมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความอยากกับเรื่องที่เข้ามาเรื่องไม่ดีเราก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายเราก็ทุก ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไปมันมาก็ปล่อยมันมาไปสิอย่างมากก็แค่ตายมันก็ไม่มีปัญหาหล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆเรื่องปัญหาคือเราไม่อยากให้มันเข้ามา้เรื่องต่างๆแต่มันเข้ามาแล้วเราจะไปห้ามมันได้ยังไงก็ปล่อยมันเข้ามาสิล้วก็อยู่กับมันไปอย่างมากก็แค่ตายอยังไงก็ต้องตายพอเสียแล้วเราเศร้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือทุกมีหลายเรื่องเช่นว่าที่บ้าน คุณพ่อเสียที่บ้านทะเลาะกันเรื่องแย่งสมบัติแล้วก็อคือแต่งงานแล้วก็ต้องหย่าคือทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เข้าใจว่าแล้วมันทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมใช่ถ้าเราบอกว่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าอะก็คือให้อยู่กับมันไปอเหมือนฝนตกเราห้ามมันได้เปล่ามันจะตกแล้วมันเห็นทุกข์กับมัน่ะพอเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เราก็หัดอยู่กับมันไปตกก็ตกไปเราก็หาล้มกลางเท่านี้ เรื่องราวต่างๆเข้ามาเราก็ทําใจเฉยซะอย่างมันก็จบมันก็ไม่มาทําให้เราวุ่นวายเราทําใจเฉยไม่เป็นเราอยากหนีอยากให้มันแก้ปัญหาอยากอย่างุ่นอย่างนี้มันก็เลยวุ่นวายไปใหญ่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะเข้าใจมันจะรู้วิธีแก้ปัญหาก็คือเฉยๆปล่อยที่อยู่กันมันไปไม่ได้หยุดไม่ได้พยายามจะหยุดมันก็คือที่อยู่กับมันไปให้มันไปถ้าทําได้ก็ทําแต่ทําไม่ได้ก็ อย่าทำอันไหนทาได้ก็ยังทาได้ก็ทำไปอันไหนทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองคำถามที่สองก็คือว่ามีคนพูดว่าถ้าเกิดว่าคนเราอยู่ใครไม่ว่าจะอยู่สามีอยู่ใครก็แล้วแต่ที่มีบุญมีกรรมหรือว่าจุดจุดหนึ่งคืออยู่กันสักพักหนึ่งพอบุญหมดก็จากกันไปแล้วทำไมถึงกลับมาเจอกันอีกได้คะก็เมื่อหมดบุญแล้วแล้วบุญมันมาจากไหนคะก็ กลับมเจอกันมาสร้างกันใหม่การมาเก shorts, id, like ิดเป็นมนุษย์เหมือนกับการมาเติมบุญไงแต่ยังไม่ได้ตายจากกันเลยค่ะจากกันแล้วกลับมาใหม่แล้วยังไม่ได้ตายจากกันอย่างเงี้ยค่ะก็สร้างบุญยังไม่หมดจริงเลยแล้วกลับยังไม่หมดเนี่ยหรือมันก็ยังต้องเจอกันอีกก็อย่างที่บอกอ่ะอย่าไปสนใจว่ามันเป็นบุญหรือเป็นกรรมหรือเป็นอะไร มันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอก็เจอก็แล้วกันแล้วก็อยู่กับมันไปอย่าไปทุกข์กับมันก็จบไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมหรือเป็นอะไรหรือเปล่าให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นอะไรเราต้องอยู่กับมันหรือเปล่าอถ้าต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปอยู่แบบไม่ทุกข์ก็ได no ้อยู่แบบทุกข์ก็ได้อยู่แบบทุกข์ก็คือไม่อยากจะอยู่กับมันมันก็ทุกข์แล้วอยู่ที่ใจเราเท่านั้นะเรื่องของความทุกข์ ถ้าเรารู้จักทำใจกับทุกเหตุการณ์เราจะไม่ทุกข์กับมันเราไม่รู้จักทำใจเรารู้จักจะชอบรู้ชังมันเท่านั้นเองพออะไรชอบเราก็อยากให้มันอยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราก็ทุกข์ละพอเจอของไม่ชอบอยากให้มันไปมันไม่ไปก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรารู้จักทำใจเฉยๆไม่ต้องชอบไม่ต้องชังมาไงก็เอาอย่างนั้นอยู่กับมันไปมันมาก็ต้องอยู่ก็อยู่กับมันไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปเราก็จะไม่วุ่นวายใจ เราก็จะไม่ทุกใจเนี่ยมันทำยากตรงนี้ทำไม่เป็นทำใจไม่เป็นกันทั้งนั้นมาฝึกสติสมาธิปัญญาันถ้ามีสติสมาธิปัญญามันจะสอนใจให้ทำใจกลับเรียนพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามหนึ่งเรื่องครับเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของธรรมชาติครับที่วันก่อนที่ถามพระอาจารย์ในเรื่องของอ สิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถทําอะไรให้ใครได้หรือว่าซึ่งมันไม่มีจริงที่จะให้พรให้อะไรใครได้ครับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือเหตุปัจจัยที่เราทําอืำนี่ผมอนึกถึงตอนที่อ่าพระโมคคัลลนะครับและไม่ใช่พระโมคคัลลนะครับพระรูปหนึ่งที่อไม่ทําตามคําสองของท่านพระเจ้าก็คืออทําทอีที่ปฏิหาร ลอยขึ้นไปเอาบาทไม้จากข้างบนครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะสอบถามว่าการที่บุคคลสามารถลอยขึ้นไปเอาบาทได้เนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติหรือว่าอะไรเพราะว่าแบบนี้คือมั น, มนอั น, นี้รราเรียกว่าพลังจิตพลังจิตไม่ใช่จิตนี่มีพลังสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถดำดินได้สามารถแยกกายได้ าาคือคือตัวเร า, าขนาดที่มีลูกไก่อยู่เนี่ยคือสามารถหาอขึ้นไปได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอ่าก็ตามตำราเขาววาอย่างนั้นอ่ะยันปัจจุบันไม่ไม่เห็นกลายเขาว่าคนที่มีพลังจิตนี่สามารถมีมีก็เรียกพิญญาปฏิหารความสามารถพิเศษ<ม>อันนี้ก็<ม>เป็นเรื่องของพลังจิตถ้าฝึกสมาธิแล้วบางคนก็จะได้พลังจิตพิเศษนี่มาบางคนก็มไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ทุกคนการฝึกสมาธินี่เป้าหมายหลักคือฝึกให้จิตสง บ, บให้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางจิตนี้นอกจากจะได้ความสงบแล้วยังจะได้ความสามารถพิเศษ อ, อันนี้ก็เรียกว่าพลังจิตขอบคุณพระอาจารย์ครับอส่งไลน์กลับอะน่จิตมีความสามารถหลายอย่างระ ล, ลึกชาติได้ อานจิตของคนอื่นได้ตอนนี้เรากําลังคิดอะไรคนนี้มีพลังจิตเขารู้แล้วกําลังด่ารู้นี่หว่านี่ยเรื่องรื่องชาติครับผมถ้าที่ที่ได้ฟังคําสอนมาคือสัญญาครับมีการดับไปเกิดขึ้นแลดับไปอ่ามันก็เกิดขึ้นได้มันดับไปก็เรียกมันกลับขึ้นมาได้จําได้มันก็ลืมได้ลืมได้ก็จําได้ใหม่คำว่ารื่องชาติก็คือสัญญามือนกลับขึ้นมาอ่าแล้วก็เรียกมันกลับขึ้นมามัน เมื่อวานนี้ทำอะไรบางทีลืมไปเดี๋ยวมา่นั่งคิดสักพักเดี๋ยวออจำได้นะใช่ไหมถามได้ค่ะคำถามแรกจากทางไลน์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมเรียนอยู่มหที่อังกฤษกำลังจะสอบไฟ n a ลเกิดความกลัวว่าจะสอบไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ดูหนังสือเต็มที่แล้วกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีวิธีกาจัดความกลัวนี้ได้อย่างไรกราบขอบพระคุณครับ คืนหนึ่งเราไม่รู้อนาคตนะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าเหตุที่ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร<ม>คือถ้าไม่ดูหนังสือสอบตกแน่ๆ<ม>ถ้าดูหนังสือมันได้แน่ๆดั<ม>งนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะกําจัดความกังวลได้เพราะที่เขาสอบเขาก็สอบดูว่าเราดูหนังสือหรือเปล่าถ้าเราดูหนังสือแล้วเราจําได้ เวลาเขาถามเราก็จะตอบได้ที่กิเลสความอยากของเรามันอยากมากเกินไปกลวจะไม่ได้มันเลยทำให้เราคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นไปเองครั้นงนั้ยังอย่าปล่อยให้มันคิดตามอารมณ์ให้มันคิดด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือถ้าดูหนังสือแล้วได้แน่ๆถ้าไม่ดูหนังสือไม่ได้แน่ๆเพราะเขาสอบเขาเพื่อสอบจะดูว่าเราดูหนังสือหรือเปล่าเท่านั้นเองกลับเล่นถามกับอาจารย์ พอดีทมอาชีพเกี่ยวกับประกันรถยนต์นะครับมีลูกค้าบ า, บางบางท่านโทรมาบางทีว่าถูกรถที่เป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นคนแก่เนี่ยที่ไม่มีสตางค์นะครับชนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเ อ, เอาเอาเอาผิดกับแม่ค้าหรือว่าคนแก่ที่มาชนนะฮะคราว <c oughs> น, นี้เขาก็มาปรึกษาเราว่าเราจะแนะนํำยังไงเพราะบางทีเนี่ยเราก็ จะบอกเขาว่าเออเราก็บอกว่าเราถอยชนแม่ค้าแทนเพราะว่าจะได้จะได้ซ่อมรถให้แม่ค้าด้วยแล้วก็ซ่อมรถให้ตัวเขาเองด้วยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันเราไม่ได้พูดที่มันถูกต้องครับพราจารก็พูดผนเฉยก็โกหกอั้นก็มันได้อย่างเสียอย่างได้ทำบาปแต่ก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญไปในเวลาเดียวกันเลยครับเพราะไม่ควรทำถ้าม่อยากจะได้บาป ทำบุญก็ฝากกระเป๋าจ่ายเงินให้แม่ค้าเข้าไปได้บุญแล้วก็ส่วนเงินประกันก็ให้ประกันจ่ายของส่วนของเราไปส่วนของแม่ค้าเราสงสารเขาเราก็ออกฟังเงินของเราจ่ายให้เขาไปอย่างนี้ก็จะไม่ได้บาปได้แต่บุญอย่างเดียวก็ต้องต้องแนะนําเขาเป็นแบบนี้นะครัอย่างงั้นดีกว่า<ะ>เพราะได้บาปมันจะติดนิดสัยไปต่อไปจะชอบทําบาปมันจะมันจะคิดแบบนี้เรื่อยๆ <c oughs> ทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปงั้นอย่าทํา นิสัยไม่ดีอย่าไปทําสาธุครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่อเอาเลยแล้วอยู่ที่ไหน Houston, <Texas. S 1> <Houston. S 2> อยู่ทูสนไปอยู่มานานแล้วหรอาที่เอ่าจ็ด ป, ปี่ะปีแต่คุณท่านทางไลน์เพราะชอบที่ถามตอบคำถามนะท่านตอบแบบแนชชวลมากคือเข้าใจง่าย ก็พูดตามความจริงที่ได้เรียนรู้มาที่เห็นมามันมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่รู้จักมองแค่นี้มองไม่เป็นคิดไม่เป็น <c oughs> พอคิดเป็นแล้วมันจะเข้าใจมันจะแก้ปัญหาได้หมดถ <c oughs> ามต่อคำถามจากทางไลน์ค่ะเราอยากทำบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกวันแต่มีพระมารับบาตรแค่วันพระควรทาอย่างไรดีเจ้าคะกราบนมัสการเจ้าคะ่ะเอาเงินใส่บาตรทุกวันสิใส่กระปุกไว้ก่อน แล้วเวลาพระมาวันนั้นก็ถวายท่านไปทั้งหมดเลยปลวกถวายเจดวันเลยแบ่งเป็นเงินไปหรือว่าถ้าไม่มีลูกศสด็จกาจะต้องให้ใครถือไปให้ท่านแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้บางบางวัดบางแห่งท่านก็อนุญาตให้รับเงินได้ท่านก็รับไปแต่ท่านท่า น, านไม่รับเงินเราก็ต้องเอาไปส่งให้ท่านที่วัดหรือไม่ฉะนั้นเราจะเก็บไว้สําหรับเวลาเราไปทําบุญที่ไหนต่อไปเราก็เอาไปทําได้ ข้อสำคัญเราอย่าเอากัินที่ทาบุญนี้ไปใช้ก็แล้วกัน <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณนับประพัดค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะทุกวันนี้ก่อนเข้านอนก็ท่องสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่ติดธุระที่ไหนแต่ยังปล่อยวางไม่ได้เวลามีผู้คนรอบข้างมาพูดจา ก, กระแทกแดกดัน จะเก็บเอามาคิดและไม่สบายใจแต่ในใจพยายามคิดว่าปล่อยให้เขาทำไปเขาคงทุกข์เขาคงไร้ซึ่งความสุขก็เลยทำสิ่งนั้นออกมาเราเองก็พยายามคิดบวกแต่ใจลึกๆ ก, ก็แอบเสียใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับเราขอพระอาจารย์ช่วยบอกแนวทางให้ลูกพ้นทุกข์จากตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าสมาธิเรายังไม่ลึกไงจิตเรายังไม่สามารถไปถึงฐานที่จะหยุดความกิเลสต่างๆได้ กิเลสที่อยู่เลือ ก, กว่าแล้วมันยังแสดงอาการให้เราอยู่ยงั้นเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากจนจิตสงบลงถึงฐานถ้าถึงฐานแล้วความสงบมันจะคุมไปควบคุมกิเลสได้ทุกชนิดตอนนี้ควบคุมได้บางตัวบางตัวที่อยู่เลือ ก, กว่าสมาธิของเราเราก็ยังควบคุมไม่ได้คําถามจากผู้รับชมบนเขานะคะฝันร้ายบ่อยๆมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ต้อง หนึ่งทบุญให้มากขึ้นละการทําบาปเพราะความฝันร้ายนี้เกิดจากการทําบาป ก, การทําบาปเป็นเหตุทําให้เราฝันร้ายการทําบุญทําให้เราฝันดีการนั่งสมาธิทําให้เราหยุดฝันเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะให้ฝันร้ายก็พยายามฝึกนั่งสมาธิให้มากๆถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะไม่ฝันหรือถ้าอยากจะให้มันไม่ฝันร้ายฝันดีก็ทําบุญบ่อยๆทําทุกวัน ทำความดีบุญมีหลายรูปแบบไม่ต้องใส่บาทไม่ต้องเสียเงินก็ได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทําให้คนอื่นก็มีความสุขพอเราทําความดีมันจะบันทึกเรื่อ ง, ร, องราวที่ดีไว้ในใจเราพอเวลาเรานอนหลับเรื่องราวที่เราได้บันทึกไว้มันก็จะมาโผล่เป็นความฝันให้เราฝันดีอย่าไปทําเรื่องไม่ดีไปทะเละาะกันไปโ ก, กรธกันไปตีกันไปแย่งกัน พอมันนอนหลับมันก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาประหลอกเราในในในฝันของเราอีกทีนั้นพยายามทําความดีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เราตื่นอย่าทําความไม่ดีต่างๆแล้วต่อไปจิตมันจะไม่บันทึกเรื่องที่ไม่ดีมันจะมีแต่เรื่องที่ดีเวลานอนหลับมันก็จะเอามีแต่เรื่องที่ดีโผล่ขึ้นมาในรูปแบบของความฝัน คำถามข้อต่อไปจากคุณทานตะวันค่ะกลับนามัส ก, การขอโอกาสเรียนถามค่ะได้ทราบมาว่าผู้ทุศีนจะเข้าสมาธิยากแต่ในโลกคารวะโอกาสทุศีนจะมีมากหากเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวะจะสามารถเจริญก้าวหน้าในทางธรรมอย่างไรคะก็มีไม่ใช่ทุกคนทุศีนเนี่ยคนที่ไม่ทุศีนก็มีคนที่ไม่มทุศีนเขาก็เข้าได้คนที่ทุศีนก็เข้าไม่ได้ อนี้ก็ยังไม่มีใครมาบวชมาเป็นพระเป็นพระสาว ก, กันต่อไปเพราะทุกคนก็มาจากโลกของคารวะทั้งนั้นแต่คนที่รู้ว่าเขาทุศีนเขาแก้ได้เขาข้ามได้เขาก็ไม่ทุศีนแต่เราจะมาอ้างว่าเราอยู่ในโลกของคารวะต้องทุศีนถ้าเราอ้างอย่างนี้เราก็ไม่มีวันที่จะรักษาศีนได้เราก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้แต่คนที่เขาเห็นว่าการทุศีนนี่เราห้ามได้เนี่ยเราหยุดได้ไม่จาเป็นจะต้องโกหกก็ได้ แต่ถ้าเราคิดว่าต้องโกโหกเพราะอยู่ในโลกของโลกของคนโกโหกถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็รักษาศีลไม่ได้และไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่รักษาศีลกันคนที่ก็รักษาศีลได้ก็มีศีลห้าศีลแปดแล้วเดี๋ยวเ้าก็ไปไปบวชได้ไปปฏิบัติไป ด, ไดุจพ้นได้เพราะทุกคนที่ไปบวชก็มาจากการเป็นคนคารวะก่อนะไม่มีใครเกิดมาเป็นพระกันใช่ไหมไม่ใช่เกิดมาจากท้องแม่ก็บอสเดี๋ยวไปส่งวัดไหนนะ ใช ม, มันก็ต้องอยู่เป็นคาวละวาดไปก่อนแต่เมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็หัดทําไปต่อไปก็ทําได้ เ, เน้นเราไปคิดเอาเข้าข้างตัวเราเองก็คิดว่าเราทุศีนคนเดียวก็เลยคิดว่าทุกคนทุศีนตามเราไปด้วยหมดแล้วมั้งเอาคําถามสุดท้ายาค่ะคํำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเราจะทําให้คนที่เรารักชื่อในตัวเราได้อย่างไรคะจะต้องพิสูจน์ความดีอย่างไรคะ ก็เขาเรียกว่าเวลาเป็นเครื่องระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนถ้าจะให้เขาเชื่อใจเราเราก็ต้องไม่โกหกไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่โกหกแค่วันสองวันเขาจะเชื่อเราทันทีต้องไม่โกหกเป็นปีต่อไปเขาก็จะเชื่อเราว่าคนนี้ไม่โกหกแน่นอนนั้นถ้าอยากจะให้เขาเชื่อเราก็ต้องใช้เวลาเพราะึกว่าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา ไม่ใช่มาหลอกทํากันแค่วันสองวันแล้วจะบอกว่าให้เขาเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นตมันมัน ไ, ไม่มีใครก็เชื่อหรอกนะเขาก็ต้องรอดูไปก่อนว่ามันมาหลอกเราหรือเปล่ า, าก็ต้องทุกใจกับตอนที่รอสิอ่าก็ต้องท น, นองเอาสิถ้าเราไม่มีเครดิตก็ต้องสร้างเครดิตเนะดี๋ยวนี้อยู่ดีๆเครดิตมไม่เกิดขึ้นเองเนะี่ยก็ไม่เป็นไรเราถ้าเราไม่อยากได้เลยจากใครมันก็ไม่ทุกที่เราทุกเราจะอยากจะได้เลยจากเขามากกว่าอะไร ท, ทำผิดศีลไงคำว่าทุศีลทุกศีลเนี่ยคําว่าทุแปลว่าผิด <5. S 2> ทุแปลว่าผิดทุจริตไงทุจริตจริตแปลว่าเป็นจริตทุจริตก็เป็นจริตที่ไม่ดีเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงแนวมาสิ่งเทศได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ